งันซีดีหลวงพ่อจะประหลาดนะมีความประหลาดอยู่เยอะในซนะีดีนั้นคือก็ฟังผ่านหูนะแต่มันไม่ถึงใจเรนะาผ่านหูหลายๆครั้งกนระองเข้ามาที่ใจได้หน่อยได้หน่อยทำไมมันมาที่ใจได้ไม่หมดเพราะภาวนาอย่างไม่ถึงถ้าภาวนานถึงจนะะเข้าใจอริยสัจจะแจมแจ้งในอริยสัจถ้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 ก็ต้องมีเครื่องมือคือสติสัมมาสมาธิมีปัญญาสติจะเกิดได้ยังไงสติไม่ได้เกิดจากบังคับไม่ได้เกิดจากกาหนดสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นฉะงั้นต้องหัดรู้สภาวะบ่อยๆสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตเกิดจากจิตศิกขาเราต้องเรียนเรื่องจิตให้แจํมแช้จนกระทั่งเรา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 เรียกว่าเห็นเป็นทุกข์เพราะว่ามันเป็นทุกข์ฟังยากนิดหนึ่งนะเห็นทุกข์ขั์เพราะว่ามันมีทุกขลักษณะไม่ใช่ทุกขเวทนานะทุกขเวทนากระจอกล้อห้อยใครใครก็รู้หมาแมวก็รู้ได้หรือบางคนเหตุการณ์เห็นใจเป็นทุกข์นะเพราะเห็นอนัตตาเห็นความไร้สาระไม่มีตั ว, ม, ตวมีตนที่แท้จริงมีแต่ทุกขล้นวนๆนะไม่เห็นมีอะไรน่ารักเลย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 ผองใสผู้รู้ผองใสแล้วมันก็ยังหมองๆได้อีกมันมันทนอยู่มันมันเปลี่ยนแปลงอ่ะเปลี่ยนแปลงบางท่านก็เห็นมันทุกข์บางท่านก็เห็นเป็นอนัตตาไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระอย่างหลวงปู่สุวัตหลวงปู่สุวัตเอ่ยชื่อให้ฟังได้เพราะว่าไม่อยู่แล้วใครๆก็คงไม่ว่าหลวงพ่อเป็นในหน้าหาราบสักการะไปให้ท่านเมืนท่านไม่อยู่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 พระโสดา บ, บันเห็นแค่นี้พระสกิทาคาก็เห็นแค่นี้พระนาคาลึกซึ่งลงไปอีก<ม>เห็นกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเลยร่างกายนี้ทุกข์ล้วนๆจนไม่ยึดถือกายเมไม่ยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่ยึดถือในรูปเสียงกลิ่นรสผลทัพะเมื่อไม่ยึดถือในรูปเสียงกลิ่นรสผลทัพอุกามและปฏิฆะคือความพอใจแล้วก็ความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสผลทัพอุกก็ไม่เกิดขึ้นงนั้นแจ้งในกายน้ก็เลยละ เอาการมาราคากระติคคาขาดัดอัตโนมัติเป็นพระอนาคามิรู้ลงไปอีกการปฏิบัติบีบบงเข้ามาที่จิตท่านัดสุดท้ายมาเห็นจิตแจม่มแจ้งอย่างที่หลวงพู่ดูลบอกจิตเห็นจิตอย่างแจม่มแจ้งเป็นมรรคแท้จริงก็คือจิตเห็นจิตอย่างแจม่มแจ้งเป็นอรหัตมรรคท่านพูดซ่อนๆไว้นิดหนึ่งเกรงใจคนฟังเดีย๋ยวจะมาหาเรื่อง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 เราถึงจะพูดได้เนี่ยเราสอนสอนทุกวันนะไม่รู้ว่าจะมีใครมันอุตริเอาที่เราสอนไปจดลิขสิทธิหรือเปล่าเดีย๋ยววันหนึ่งมันไม่ให้เราสอนหน้ า, ด, า, น ด, านด้านมันมีนะเ <c oughs> นี่ยรู้ลงนะส่วนใหญ่ไปเพิ้งให้รู้ไม่ใช่ให้เพ่ยง <c oughs> เช่นเราพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปนะแล้วใจเราแอบไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ว่าใจไปคิด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 แต่ต้องแล้วสดสดร้อนรนะไม่ใช่แล้วไปเมื่อวานโกรธเมื่อวานวันนี้รู้มารายงานหลวงพ่อปราโมททิฉันทำมิปัสสนาเป็นลนะเมื่อวานนี้โกรธวันนี้รู้ขึ้นมานไม่ใชนะ่รู้ก็ต้องรู้ของตัวเองนะไม่ใช่รู้ของคนอื่นมีคราวหนึ่งหลวงปู่ดูลไปเยี่ยมหลวงปู่เทศท่านคุ้นกันหลวงปู่เทศกับหลวงปู่ดูลเนี่ยตอนอยู่บนเนยคย อ, อยู่วัดเดียวกันหลวงปู่เทศเป็นพระแล้วหลวงปู่ดูลเป็นพระหลวงปู่เทศเป็นปเนิน นั่นท่านเขารลบนับถือคุ้นเคยกันหลวงปู่ดโดนไปทุ่งาแถวหนองคายก็แวะไปเยี่ยมหลวงปู่เทศเแล้วพวกลูกศิษย์หลวงปู่เทศก็เรียกลูกศิษย์มานั่งฟังหลวงปู่ดโดนให้โอวาท่านก็บอกว่าให้ดูจิตตัวเองต้องรู้จิตตัวเองท่านบอกให้ดูจิตจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคท่านไม่ได้บอกว่าให้ดูจิตตัวเองอจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรค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 จิตดีชันนะใครมันเป็นยังไงเนี่ยดีชันรู้หมดเลยมันเห็นกิเลสคนอื่นหมดเล ย, ยพอเห็นกิเลสคนอื่นแล้วนะจิตดีฉันยิ้มด้วยมันยิ้มเย่ะกิเลสคนอื่นด้วยนะพอหลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตตัวเองแล้วจิตยิ้มนะแกเลยบอกจิตแกยิ้มด้วยนะเนี่ยเห็นคนนี้แกมีกิเลสแล้วมันยิ้มย่ <c oughs> อใหญ่นี่แย่มากห <c oughs> ลวงปู่เทศบอกไม่ใช่ดอกเจ้านะมันต้องดูของตัวเอง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 ยังไม่ได้โสดาแล้วเที่ยวรู้คนอื่นเนี่ยมันจะไม่ยอมรู้ของตัวเองละมันจะกลับมาดูของตัวเองยากที่สุดเลยเพราะมันจะเพลินสนุกดูของคนอื่นไปเรื่สมัยพุทธกาลมีพระองค์หนึ่งเที่ยวดูของคนอื่นพระองค์นี้เป็นเอตตทะนะคือพระอนุรุตพระอนุรุตเนี่ยฝึกกรรมฐานอยู่ช่วงหนึ่งนะท่านก็ได้ทิพยจักสุท่านเที่ยวดูจิตสัตว์ทั้งโล ก, กทาก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 เคยเจอพระองค์หนึ่งดูจิต50คนในเวลาครู่เดียวไวมากนี่พระนุรุนไวเป็นอันดับหนึ่งดูจิตดูทั่วโลกธาตุแล้วก็มาถามภาษาลิบุตรว่าข้าแต่ท่านภาษาลิบุตรผู้เจริญกับผมมีทิพย์จักรสู่เลิศขวทเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผมเห็นโลกธาตุตั้งขันโลกในเวลาครู่เดียวนี่ท่านเห็นเกิดดับนะคนโน้นคนโน้นเกิดคนนี้ตาย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 เราดูไปเรื่อยเรเรารู้สึกไหมเมื่อไหร่จะได้สักทีละเสือนะถ้าเวลาไม่ได้หรอกนี่ท่านไปละสามตัวนนี้แล้วท่านก็รู้กายรู้ใจท่านเรื่อยๆนะในสุดใจท่านก็เข้าน้อมไปเห็นอมตะธาตุคือนิพพานก็เป็นพระราหารันต์องค์หนึ่งขนาดท่านเป็นพระโสดาแล้วนะได้โสดาแล้วนะท่านยังเที่ยวดูโลกาธาตุภายนอกแล้วพลืนไปเลยลืมดีออนมาดูตัวเองนี่ยังบุญว่าท่านได้